กลนไก่ชีวิตในการกระทำมีข้อสงสัยว่าคนทั้งหลายที่ทำอะไรต่างๆนี้ก็ทำด้วยความอยากทั้งนั้นคือมีความอยากจะทำจึงทำและอยากทำอะไรก็ทำอันนั้นถ้าหมดตัญหาไม่มีความอยากเสียแล้วไม่มีตัญหาเป็นแรงชักจูงให้ทำโน่นทํานี่แล้ว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 พอปัญญาแท้บอกอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าชีวิตต้องการสุขภาพที่ดีโดยมีวิธีทรรมวิธีปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่ปัญญาแท้บอกนั้นไม่ถูกใจอย่างที่ตัณหาชอบอย่างที่ตัณหาอยากเอาอยากเสพเลยเป็นอันว่าตัณหาชอบใจเมื่อได้อวิชาคอยผนาผนอแต่พอปัญญาแท้มาตัณหาไม่เอาด้วยและอยู่ไม่ได้ตอนนี้แหละ